พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งลำดับที่สิบสามโดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนสองพันห้า้อยห้าสิบหกมีชื่อเรื่องว่าถ้าเสียงแล้วอย่าทา เออมือเ่อวันที็ยี่สิบเอ็ดพุทธจิกายนพุทธศักราชสองพันห้ารอยหาสิกกระถินงานกระถินของพวกเฮาวันร้อยกระท่งวันที่สิบเจ็ดพุทธจิกายนสองพันห้ารอยห้าสิบหกพ่อเจ็ดงานกระถินแล้วหลวงพอก็เป็นห่วงเรื่อง งานของพระราชท่านชรีละของหลวงปู่ของเห่าปู่จามของพวกเห่าหลวงพ่อกิดเต็มม้าวันที่สิบเก่ า, เามาถึงวันที่สิบเก้าแล้วก็ม า, าช่วยๆกันเรื่องพิตกกังบ้วนกับเรื่องนี่แหละเรื่องเสาไฟฟ้ า, าที่จะปกักกฏนี่แหละมันต้องได้ใช้เทคนิคต้องได้ใช้ความ สามารถจงได้ใจความหลายแนวความคิดหลายๆคนเพราะเหตุใดเพราะว่ามันเสี่ยงมันขึ้นทำงานเบื้องสูงทำงานสูงเสาไฟฟ้าแล้วก็พวกหอกกรบป๋มงนนักเหตดสูงอีกต่างหากทั้งหมดมันมันยี่สมันเกือบ20สบเมตรจากพื้นดินขึ้นไปเพราะนั้นหลวงพ่อไปเห็นแล้วก็โอ ไปเห็นไปเบิ่งเมื่อวานนีอาจจะต้องได้ใช่วิศวกรผูกเกีียวของหลายๆคนวันนั้นถึงยังไหนกระตามนะพระลูกผ้าล้านทั้งหลายาก่อนที่จะทำงานกับงานของหลวงปู่ของเฮาหลวงพ่อเองจะจะให้มากกราบคารวะหลวงปูส่สกอน แล้วก็ออพอพอรมสารีเดกระถัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดของหลวงปูอยากจะให้พัวเฮ้ากราบคารวะหน่อบหน่อบ เ, ออเทพเจ้าเราเทวาทั้งหลายขราบเจ้ามาทํางานในสถานที่แห่งนี้เพื่อทำงานเพื่อย่างอื่นเพื่อทํางานบูชาพระคุณของหลวงปูของพัวเฮ้านี่แหละผัวกเฮ้า ถำหรือความเคารพสักการะจะเป็นสิริเป็นมงคลสาหรับพวกพระลูกพรหลานทุกหูทุกคนเป็นบุญเป็นกุศลพวกเข้าบเดชมาทําหรือความคึกความขน้อง<ม>เออบเดชมาทําเพื่ออย่างอื่นถ้ำมาทําเพื่อบูชาพระคุณขององค์หลวงปูของพวกเข้าเออมาทําเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลในสถานที่แห่งนี้ มดี๋วม่ใดท้ำเพื่อย่างอื่นบฉะนั้นขอให้พระลูกพระหลานก่อนที่ทำการทำงานทุกครั้งให้กาบคารวะสะกร์ได้ประมาทผัดผังสิ่งใดก็ตามที่มันบัตถุบ่เหมาะ บ, บ่สมบ่ควรก็ข อ, ขอให้สิ่งซักชิตเทปเจ้าเราเทว่าพ่อแม่ผู้บาอาจารย์ลงปูลงตาเอ้โหสิให้กับพวกเข้าโดยโบุเจตนา แต่เจตานาหรืคือเจตานาของพวกเขาจะทําให้งานสิน่งนี้หรืองานครั้งนี้สําเร็จรุ่่วงไปด้วยดีให้ให้พระลูกพระหลานก่อนที่จะทําการทํางานทุกครั้งนะให้ให้กราบคลัวะตรพ่อแม่ผู้บายจารขลังวะศรีละของหลวงปู่สกรเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงค้นเพื่อเป็นบุญเป็นกุศล สำหรับพวกเฮ้าทุกขู่ทุกคนแล้วก็ตักจากนั้นก็นให้ตั้งอ๊กตังใจท่าการทํา ง, งา น, นและถึงแก่ไหนก็ตามงานที่พวกที่หลวงพ่อไปเบึงเมื่อวานเนี่ย เ, เป็นงานทํางานสั้นสูงก็เอาไปสูงทนายสูงเกือบ20อเมตรคนนีนั่งลานขึ้นไปเพื่อจะไปติดต่อสายไฟโยงในระหว่างสายไฟต่อลายสายไฟเกือบร้อยเมตรนะแล้วก็จะปักกดไว้ตรงกลางเพื่อประดับ งานเม่นของหลวงปู่ผลในงานตัวนี้หลวงพ่อเองเขาขอบอบไว้กับหัวหนาวมีพระอาจารย์หน่อยทราอาจารย์ยังก็อาจารย์จารูณ น, น, นะที่เป็นหัวหนาดูแลอยู่นี่อ้ซอยซยกันเบิงพวกคุมพวกพวกน้องๆทางไลยพวกทัทยายนญาติโยมที่เกี่ยวของนะ พองานเนี่เป็นงานที่เสี่ยงมากๆเลยอย่าใหด้ยินปราะวัดโอ้ไฟช็อตตกห่านล่มพัดตกห่านมัดนางลานโบติตกนางลาน เ, เสียเสียือเสียเสียงหลวงปูของเห้าอีกส่วนหนึ่งเสียหนาล้งพออีกส่วนหนึ่งขึ้นกันเนียเพราะนั้นการทำจริงนี่ก็ตามเหตุรอกหอกไปก่อนนะผานหกพราหลา น, านพระนน้องพระนนุ ง, นงทั้งหลาย หลงพอไม่แต่สร้างแต่เสียเองสิแหละให้การทําการทํางานให้ระมัดระวังอย่าไปเห็นแก่ความาวายมันเสี่ยงแต่อย่าเฮ็ดนะการมาเสี่ยงหรือย่าเฮ็ดการว่ามั่นใจตะก่อนจะคอยช่วยกันเฮ็ดช่วยกันทําเบื่อทําไปแล้วก่เป็นเครื่องประทับจิตประทับใจของพวกเฮ้านานเท่า น, นานเออสมัยหนึ่งสมัยเป็นพระหน่อยพระนุม ได้มาช่วยงานของหลวงปูของเฮ้าหลวงปูอิ้วลอยปีหลงปูจ่ามในข้าวนั้นก็ได้ทํางานอย่างสุดความสามารถได้ทำเกลียวกับเหลืองไฟเรื่องยังเหลืองเม่นของหลวงปูของพวกเฮ้าอันนี้จะเป็นปเครื่องประทับใจในจิตในใจของพระลูกพระหลานไปนาน่นเทา่านั้นเพราะนั้นเหตุนเนยี่ยอยากไปทำถ้ำโดยความคึกความข้าน้องอความสุกเอาเผากิน แล้วก็ทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้ น, นบอกเป็นพ้นดีสำหรับพวกพลุกพลานทั้งหลายตลอดถึงพี่น้องประชาชนรัทายาติโน้มเดี๋ยวนี่ก็บำลังเกี่ยวเข่ากำลังหยุ่งยาก อ, ยอีกสักโชดระยะหนึ่งพละแต่พอถึงยังได้ก็ตามงานหลวงปูของเฮาเนี่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่งานตอนรับค้นทัวฟาทัวแผ่นดินเป็นงานที่รับคนทัวโลก กวาดัที่เป็นลูกชิดลูกหาของหลวงปูของเฮาเพระวัยอายุต่างประเทศในยิ่นข่าวาว่าบานที่หาวันที่หา้หามกราห้าเจ็ดเนีบางคตอาจจะตีตัวเครื่องบินไปแล้วจับต่างประเทศที่จะมาร่วมงานปูของพวกเฮาเพราะนั้นงานหลวงปูของพวกเฮาเนี่ยเป็นงานที่ยิงงย่งใหญ่ยิ่งใหญ่ที่เดียวล่ะเพราะนั้นพวกเฮาในฐานะลูกฐานะหลาน ฐานพระทุกองคหตวงพ่อเนี่ยนะองหนึง่งที่จะเคียงบ้างเคียงไรกับปลูกกับร้านกับญาติพี่น้องทุกขูดทุกคนอยากจะให้งานชิ้นนี้สำเร็จรุ่วงไปด้วยดีบ่อยากให้มีอุปสรรคนานปภการจิ้งไหนที่ดีคิดดีทดําดีพูดดีคิดก็คิดดีให้ทําก็ให้ทําที่ดีพูดก็พูดในทางที่ดีแน่ใดที่เป็นหายนะที่มันจะกระทบกระแทกแดกดันกัน กยาพูดการกระทําจริงใดก็ตามทําไปแล้วทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนทําให้ผู้อื่นบอสบายใจก็ะ่ะไปทําคิดคืบกันคิดมาถึงโลกออยากจะได้นาอยากจะได้ตาอยากจะไดโลกโม้โหโมกณะนะเหลืองลาบเหลืองยศออนนั้นก็จะไปหาคิดคิดไปแล้วมันบวมในทางของเจ้าของดอกเอพราะนั่นแหลทิศไปในทางที่ถูกต้องในทางที่เป็นธรรม คนที่เปลี่ยนถ้ำไปอยู่ในสถานที่ใดลมเย็ยนเป็นทุกทั้งเมดื่อตัณหาเว่าคิดไปทางโลกนะมิตรโลกโกรธหลงในจิตในใจละมีแต่ความหายชนะหน่อยเียเขามากถึงจะเก่งจะเก่งชัวรขั้งชัวร์เข้ า, า, ขาไปจังใจละทำยอมชนะธรรมรำยอมชนะธรรมธรรมก็คือความซัวร้ำก็คือคุณงามความดียังพระพุทธเจ้าของเฮานะั่นแหละ แต่ว่าก่อนจะชนะใดก็เพราแหงเท่ากันเดถ้ำ เ, เนี่จะก่ อ, กอนจะพลิ้นน้ำสะอาดขึ้นมาชาล่างที่น้ำสกรปรกมันก็บมดเป็นของง่ายเท่ากันแต่ว่าถึงอย่างไหนก็ผลที่สุดสุดท้ายก็คือธรรมย่อมชนะอธรรมคือกิเลสในของเอาเกิดมาบุรุเจ้าพังกีพบกี่าศาสกี่ลอยกี่มือกีแสนชาติผลที่สุดก็นะ่ะทหาว่าถรำ อันนี้อางทุกขังอนัตตาพิจารณารอบรู้แล้วก็ชําระใจของเห่าบริสุทธิ์ลุดพ้นเป็นอนัตตการนะอันนี้คือกันนั่นนะความสัวของเห่านี่ก็คือกันบอกว่าซัวของผู้ใดบอกว่าสัวในโลกบอว่าสัวในรถ้ำอวสุวในใสถ้ำก็คือเนี่ยอะถ้ำมนี่ยความสัวดีก็คือร้ำในจิตในใจในส่วนผงผงเห่า คณะว่าพวกเข้าทำในสร้างทิงที่ดีเอ่อมันก็ต้องชนะสิ่งที่ความชั่วเพราะฉนั้นขอให้พวกเข้าทุกขู่ทุกคนน่าประกอบคุณงามความดีอย่างพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตยังสนะพระเทวทัตก็พยายามที่เอาชนะพระพุทธเจ้าให้ได้ผลที่สุดเทวทัตก็แผ่นดินสูงล่องสู่เวจีมหานารก ก็เพเห็ุไดเพราะพุทกเจ้าเป็นกบริสาเป็นแซงเนี่ยเป็นกบฏิสาไปแซงสมน้ำมันก็เป็นกบฏิวาผู้ใดทากรรมอะไรไว้กรรมนั้นจะตามสนองคือกันครับผู้ใดผู้หนึงไปจับไฟอย่างนี้แห่ะเอ้สมมันสมพูรใช้มันหอนนะนะมันไปจับไฟเป็นกบฏิวากันผู้ใดจับไฟกับคนอันหอนอันนี้ขึ้นกัน ผู้ใดทำกรรมบ่ดีอะไรกรรมนั่นจะ ต, ตามสนองเองแต่ว่าถึงอย่างไงก็ตามพวกเฮาทุกหูทุกคนที่อยู่ด้วยกันจะให้มีเมตตาต่อกันไว้นั่นละดีนะการทําการทํางานให้มีความพร้อมเพียงสมัครขี้กันไว้ดีคิดดีทดําดีพูดดีเนะมื่อคิดดีทดําดีพูดดีแล้ะมีแต่ความจเจริญ น, นะลูกหลานนะขันว่าคิดสัวทําสัวพูดสัวนะมีแต่ความจิบห้อนยะ มีแต่ความกิามหายมิถะหายนะจะเขามาสู่ตัวของคนแต่ละคนนะพระนันโกลให้พวกลูกพวกหลานพระเนีนทุกองนะการทํ า, าทงานเข้าเนี่ยเป็นการทํางานที่เสี่ยงพอสมควรแต่ส่วนอื่นแต่หลวงพ่อเองก็เป็นห่วงจุดนี้ขึ้นกันเป็นห่วงคือมันจุดที่มันสูงเนี่ยแต่จุดอื่นหลวงพ่อกับเป็นห่วงอยู่แต่ก็เป็นห่วงแบบธรรมดาธรรมดาแบบทําน้าแบบบูรณาการนะ ต้องประสานกับหลายๆขู่หลายๆคนแต่งานทุดนี้เป็นงานที่ต้องต้องใช้เทคนิคจะต้องใช้ความสามารถจะต้องใช้วิศวกรผูกคำนวณโครงสร้างหลายๆคนขึ้นกันแต่พนานราะนั้นหลวงพ่อเองี่ผู้ใดที่มีความผูวในเรื่องนี้หลวงพ่อจึงประสานไปให้มาเบิงเนอ้อให้สวยควอมคิดเนอ้อเนี่ยถ้าขนาดสวยทั้งหมู่ว่านเนี่ทั้งโยธาจังหวัดมาเบิงแล้ว กับคู่บาแล้วหลวงพ่อก็ยั่งบ่ไวใจอีกคือถ้นมึงท้วไปทั้งจังหวัดอุดรอีกที่ผูกที่เคยทําการทํางานในงานสลีละของหลวงปู่หลวงตาบ้านตาดของเฮ้าที่เคยเหตุในงานเรื่องนี้เอ อ, อยากจะให้เพิ่มเมื่อเบิ้งอีกซอยๆกันเบิง้งเพราะว่ามันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นมาแล้วมันเสียหายทั้งย่วงเลยทั้งเสียหายทางงานของพวกเฮ้าการรถไฟสายจเจร่ญขาด บอกเ้ยเอาว่ามีเองยังเกิดเกินอยงนี้เตอถ้าว่าเฮ้าเหตต์ดีแล้วคิดดีแล้วทำดีแล้วทำดีที่สุดแล้วแต่มันก็เกิดขึ้นมาได้อันนั้นมันก็แปลว่าชุดวิสัยแต่ถ้าว่าเฮ้าเหตต์คิดว่าคนสองสามคนคืดมากแล้วก็เหตตไปโดยที่ว่าบุมีการคำนวนโครงสร้างให้แข็งแรง เ, เมื่อเหตตไปแล้วผิดพลาดเกิดมาแล้วเป็นที่ตำหนิของคนทั้งหลาย เพราะนั้นหลวงพ่อเองบ่ อ, อยากให้มันเป็นยังสัน้นพราะงานลงปูของเฮ้าเนะี่เป็นงานคนทัวโลกมาเบิงมาดูมาเขามั่งชม่มเจ้าฟ้าเจ้าพื้นดินเออผลเกิดจิตใจชนะมาในงานของพวกเฮ้าเพราะนั้นงานทุกสิ่งทุกอย่างความปลอดภัยเนะี่เกินรอยหลวงพ่ออยากให้เป็นยังสั้นนะปีนองลูกลานผาเน่นทุกองนะสิ่งใดก็ตามให้พวกเขาช่วยเป็นหูเป็นตาจิ่งดีที่มันดีให้ทำให้ดีที่สุดนะ ดีที่สุดในจิตในใจของพวกเอา้าแล้วก็ก่อนที่จะทำการทำงานก็รจะยาทำหรือความคึกความขนองไปข้ามหรือความเล่นๆตลกแค่ห้าให้นั่นแสดงความเคารพคารวะองหลวงปู่ของเอ้าสะกร่อนเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์พรบรมสารีริกธาตุพระธาตุของพระหันบนพระเจดีย์สะก่อนยังคอยไปทำการทำงาน คอยเป็นสิริเป็นมงคลสําหรับพวกเฮาเป็นบุญเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกเฮาติดพบติดชาตินะกันบวชผลทุกในวัตะสงสารในชาตินะี้นั่นแหละที่เฮาได้ทําไว้ได้ทํากับพ่อแม่คู่บาอาจารย์ไว้น่ะบุญตัวนี้แหละติดพบติดชาติไปนั่นเท่านั่นเพราะฉะนั้นคอให้พวกพระนกพระนการได้งานให้ตั้งองค์ตั้งใจทําสรุปแล้วนะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พ่อเนะนื้อนวะันนี้เน้อ